สีรู้ทุก์ได้อย่างไรกายกับใจคือตัวทุกและเป็นที่ตั้งของความทุกถ้าวันหนึ่งเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกจึงจะเรียกว่าเห็นทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ทุก์รู้ได้ด้วยการเจริญสติ ป, ปัฏฐานสได้แก่การตามรู้กายเวทนาจิตธรรมหรือสรุปให้ง่ายขึ้นได้แก่การตามรู้กายการตามรู้ใจ